แนะนำบทอัลฟาติบทอัลฟาติเป็นบทมักกียะมี 30 องค์การซึ่งกล่าวถึงเรื่องสําคัญ 3 เรื่องโดยกันคือ 1 เรื่องราวต่างๆของประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนทูตของอัลเลาะห์เช่นอารสมุสและกลุ่มชนของฟิรอาวพร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงการลงโทษและความวิบัติเนื่องจากการละเมิดขอบเขต 2 ชี้แจงถึงแนวทางของอัลเลาะห์ในการทดสอบพวงบ่าว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 และชีวิตที่ดีมีความสงบสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัลฟัจริวะลัยาลินอัชรวัชชัฟอวัลวะตริวัลไลลิ itha yas' อ๋อสาบานด้วยยามรุ่งอรุณและด้วยค่ําคืนทั้ง 10 และด้วยสิ่งที่เป็นคู่และที่เป็นขี้ la dui wela klang khuen mua man mun wian hal fi dhalika qasamul li hijr nai dang klao nan pen kan sa ban samrap phu mi panya mai chai rue alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi 'adh cha mai hen dok rue wa phra phu yiban khong chao kratham tor phuak aat yang rai iramadatil laymadi allati lam yukhlaq mithlaha fil bila อิหร่านพวกมีเสาหินสูงตระหง่านซึ่งเพียงนั้นไม่ได้ถูกสร้างตามหัวเมืองต่างๆลาปัวร์สมูดผู้สกัดหินณหุบเขาและฟิราอว์เจ้าแห่งเสาเต็นท์ บรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็ความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้นดังนั้นพระผู้พิพากษาของเจ้าจึงกระนําการลงโทษแก่พวกเขาแท้จริงพระผู้พิพากษาของเจ้านั้น song phao du yu fa mal insa idha mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman suan manuth nan muea phra phu yiban khong khao song thot sop khao doi song hai kiet khao la song prot pan khao khao ko cha klao wa phra phu yiban khong chan song yok yong chan wa am ذَٰلِكَ لَهُ فَقَدَر عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ มิใช่เช่นนั้นหรอกเพราะพวกเจ้าไม่ได้ให้เกียรติแก่เด็กกำพร้าทั้งห่าและพวกเจ้าไม่ได้ส่งเสริมกันในการให้อาหารแก่คนขัดสนวะจะกูลูนะตุราษอักลันลัมมะวะทับบูนัลมาลหุบันญัมมาและพวกเจ้ากินมรดกของเด็กกำพร้าจนหมดเกลี้ยงและพวกเจ้ารักสมบัติกันอย่างมากมายคัลลา اذا دكت الارض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا هاไม่ได้ เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนทลายลงและพระผู้เป็นบานของเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งมาลาอิกะห์เป็นแถวๆ وجي ايوم ايدن بجاهننم <Yewm> يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى لا في ذلك النรก جهنم ستถูกนำมาให้ปรากฏ ในวันนั้นมนุษย์จะรำลึกขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไร يقول يا ليتني قدمت لحياتي เขาจะกล่าวว่าโอ้ฉันได้ทําความดีไว้ล่วงหน้าสําหรับชีวิตของฉันก็จะดีและในวันนั้นไม่มีผู้ใดจะลงโทษเช่นการลงโทษของพระองค์และไม่มีผู้ใดจะผูกมัดเช่นการผูกมัดของพระองค์ยาอัยะฮ์อันนัฟซุลมุตมะอินนะฮ์